ทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์มากเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันกระตุน้นให้เกิดราคะโทสะโมหะมากมายถ้าเราไม่ฝึกสติหรือจเจริญปัญญาเข้าไปรู้แจ้งตรงนี้แล้วชีวิตทั้งชีวิตของเราที่เกิดมานี้ก็มีแต่ทุกข์ไม่มีทางออก พระอาจารย์วิมลจตะมะโลท่าน อ, อาจารย์กำพลทองบุญรุ่มเนี่ยได้มีโอกาสแบ่งปันข้อคิดจากการที่พวกเราเนี่ยไปขับเคลื่อนกระบวนการก่อการดีที่คุ้มชมดาว ให้เพื่อนของเราได้รับฟังกันแล้วเห็นทีว่าวันนี้เนี่ยจะถึงคิวคุณหมอแล้วกระมังคะงานลักษณะนี้ผมก็เพิ่งไปเป็นครั้งแรกครับฟริงๆ น, นะก็เป็นบรรยากาศของคนในครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็หมู่มิตร่ะที่รวมกลุ่มกันขึ้นมาจัด ก, การปฏิบัติธรรมแล้วก็ใช้ชื่อในลักษณะที่เรียกว่ามิตปัสนาอุทิศค่ะคือ จเจริญสติภาวนาเนี่ยนะครับแล้วก็ผลบุญกุศลที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อุทิศนะให้กับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ร่วงลับไปแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราอุทิศกุศลกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ทานการทําบุญใช่ไหมฮะแล้วก็อุทิศไปแต่นี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยอุทิศ ให้ครับญาติหรือว่าสมเด็จพระนเร่วนที่ได้ร่วงรับไปแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งซึ่งก็เป็นงานที่น่าสนใจะนะครับคนที่มานี่ก็ประมาณสักเกือบยี่สิบคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันเป็นครอบครัวชาวจีนนะฮะเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่ใกล้ชิดกันเนี่ยมาปฏิบัติซึ่ง ผมก็อยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เขาได้กล่าวเหมือนว่าเปิดใจหรือว่ารายงานการปฏิบัติในช่วงสุดท้ายนะในบรรดาพี่น้องด้วยกันเนี่ยก็มีหลายแบบ น, นะครับแล้วก็มีอยู่อย่างน้อยก็สองคนนะที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะนะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ห่างไกลแทบจะลืมไปเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไร <c oughs> ให้ทาอะไรนะอยู่อเมริกาบ้างอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ ในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนก็สนใจธรรมะอะหาว่าปฏิบัติธรรมก่อนก็มีบางคนก็แบบประเภทอย่างที่ว่าสุดโต่งไปเลยบุญทานพระเจ้าไม่เคยเห็นก็มีคนะฮะพวกที่อยู่เมืองไทยยังอยู่ในแวดวงเรียว่าเห็นพบภาพพบเจ้าอยู่แต่ว่าไม่สนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่รู้เรื่องราวพวกนี้ก็เยอะนะครับซึ่งทุกคนมารวมกันเนี่ยเป้าหมายอยู่อันเดียวเลยนะแล้ว ทุกคนพูดตรงกันว่าสองํามวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าต้องใช้ความอดทนอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยสติแตกถึงขนาดที่เรียกว่าเกือบจะอยู่ไม่ได้นะฮ ะ, ะเกือบจะอยู่ไม่ได้แต่ว่าทุกคนพูดตรงกันเหมือนกันเลยว่าที่อดทนอยู่จนกระทั่งก็จบงานเนี่ยเป็นเพราะว่าความรักแนวมากก็คือบรรพบรุษ ที่เร า, าอุทิศกุศลให้ค่ะทุกคนพูดตรงกันเลยว่างานนี้เนี่ยไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็เข้าแล้วเนี่ยต้องอยู่ให้จบนะแม้ว่าความอึดอัดความขัดอกขัดใจที่เองเคยทําอะไรได้แล้วก็ไม่ได้ทําอยากจะพูดก็ไม่ได้พูดค่ะต้องอยู่กับตัวเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าก็ไม่เคยปฏิบัตินั่นแหละค่ะอารมณ์กรรมาฐานเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความเมื่อยความเหนื่อยความขี้เกียจ กวาลังเลสงสัยมันก็ประดังถล่มทับเข้ามาแต่ว่าทุกคนก็อาศัยความกระตันอยู่ในบุญคุณของอาม่าของบรรพบุรุษเนี่ยฮะเป็นตัวดึงเขาไว้จนกระทั่งว่าเขาอยู่ปฏิบัติจนจบซึ่งหลายคนก็จะมาคลี่คลายอารมณ์เอากันวันที่สามเนี่ยฮะซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ คือเขาแก่จะพูดถึงอามานะเดียร์ไม่ค่อยพูดถึงก็คงจะมีบทบาทในครอบครัวมากก่ากรรมัารคงจมีบทบาทอยู่มากก็ทำให้ทุกคนเนี่ยฝ่าฟันอาศัยความอดทนอดกลั้นเนตปฏิบัติจนกระทั่งว่าถึงเวลาสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมได้ค่ะมีภาพที่เราเห็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีพลังมากเลยก็คือความกตัญญูความรักในบุพการีในบรรพบุรุษเนี่ยเป็นแรง ดึงดูดที่มีกําลังมากนะทำให้คนหลายคนนะที่เข้าคอสปฏิบัติธรรมครั้งนี้เนี่ยหูตาสว่างขึ้นมาซึ่งเขาพูดเองเลยค่ะนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยซึ่งไปอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะบอกว่าเขาไม่ไม่เข้าใจเขาไม่กล้าพูดว่าเขาเป็นพุทธศาสานิกชนหรือว่าเป็นชาวพุทธนะ อ, อ้าวทาไมลคะค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรคือพุทธการทําบุญ ตากบาทเท่านั้นเหลือเป็นพุทธอะไรก็ไม่มั่นใจแต่มาคราวนี้เนี่ยแม้ว่าช่วงเวลาสั้นๆสองสมวั น, นแต่ทำให้เข้าเข้าใจว่าแก่นสารในพุทธศาสนาหรือว่าความเป็นพุทธเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็ว่าแค่นี้ก็น่าจะคุ้มแล้วมั้งฮะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าคอสอบรมปฏิบัติตธรรมเนี่ยจะกี่สิบคนกี่ร้อยคนกี่พันคนเนี่ยนะถ้ามีแตกคนหนึ่ง ที่เรียกว่าตื่นขึ้นมาจากความไม่รู้หรือว่าเริ่มตื่นมาจากความที่จะประพฤติปฏิบัติเข้าถึงแก่นสารของพุทธศาสนาได้เนี่ยคผมก็ว่าคุ้มนะครับผมก็ว่าคุ้มงานนี้เป็นงานเล็กๆเนี่ยแต่ก็ถือว่าคุ้มนะะคุ้มมากด้วยซ้ำนะครับอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้างานนี้เนี่ยจัดขึ้นในขณะที่อาม่ามีชีวิตอยู่เนี่ยเหรือว่าวันพระหุษที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะดีขนาดไหนน่าคิดนะคะคือครอบครัวนี้ผมเข้าใจว่า เขารักอาแม่อยู่แล้วอาม่าเป็นธรรมาพุทาาาธอรรมภาคอยู่ถึงเจ็ดแปดปีก่อนจะเสียชีวิตนะคะก่อนเสียชีวิตเนี่ยแล้วเขาก็ดูแลกันอย่างดีค่ะนะครับแต่นั่นถ้าเราศึกษาในคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นการทดแทนบุญคุณที่ยอดเยี่ยมหรือว่าที่โปร่งสรรเสริญนะครับเพาการตอบแทนทางกายการให้อไม่อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้การบริการทุกอย่างก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนัก นะครับฉะนั้นถ้าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยไปจัดขึ้นในขนณะที่ยามายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่ยามาจะได้รับนะก็คือปัญญาใช่ไหมสติปัญญาซึ่งอันนั้นน่ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่ยามาสามารถที่จะใช้ได้ในะระยะยาวอีกกี่พกกี่ชาติก็สามารถใช้ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันไปได้ค่ะนี้เรามาทำ การตอนที่อา่ามาอยู่หวังเอาบุญที่ไปช่วยอา마เนี่ยมันก็ดีดีกว่าไม่ทํานะค่ะคุณหมอแต่มันไม่ค่อยเห็นผลคือไม่เห็นต่อหน้าต่อตาเราอา마ไม่ได้เห็นหรือว่างานเถอะใช่ไหมคะเราไม่ได้เห็นอา마ด้วยเอ้คุณหมอคะคุณหมอพูดเหมือนกับว่าอยากจะให้มีการทําบุญในลักษณะที่ว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะขัดแย้งกับธรรมเนียมนิยมปฏิบัติที่เราคิดเราเชื่อแล้วก็ทํากันอยู่หรือเปล่าคะจริงๆเราไม่ได้ทําให้นะะเราให้เขาทําเอง ใช่ไมคคือ <Okay. S 2> เราจัดบรรยากาศขึ้นมาแล้วก็เราอยากจะให้บุญให้ใครคือ <Okay. S 2> พ่อแม่เนี่ยค่ะเราก็จัดที่บ้านของเราเลยพ่อแม่เราจะหนีไปไหนค่ <Okay. S 2> ใช่มครับท่านก็อยู่ต้องอยู่ปฏิบัติร่วมด้วยกับเราแต่เราพูดไม่ได้กระมังค ร, รับว่าบุญนี้จะอุทิศให้ท่านเพราะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะกลายเป็นการเป็นแช่งนไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมครัแต่ว่าบุญที่เกิดขึ้นปั ญ, ญญาที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้น <Okay. S 2> ที่ท่านได้ ฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นบุญันสูงสุดนะครับเป็นการปฏิบัติบูชานะรวมทั้งการทดแทนบุญคุณเนี่ยมันจะสําเร็จไปในคราวเดียวกันเองเพราะว่าเราจับสิ่งแวดล้อมนะบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยให้เกือ้อกูลในการที่จะทําให้ท่านเนี่ยได้เจริญสติได้เจริญปัญญาถือว่าเป็นการให้ทำเป็นฐานนะชนะการให้ทั้งปวงอยู่แล้วใช่ไมครัซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยน่าสนใจว่าเราไม่ควรจะรอ นะครับสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ควรรอให้บุพการีด้วยให้ผู้ที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยตายซะก่อนแล้วค่อยทำอุทิศให้ตายซะก่อนแล้วว่าเราก็ค่อยส่งไปสเนีไปให้ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราน่าจะทําที่เห็นกันจัดจ่ะให้ทํากันตอนตาเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะครับค่ะประโยชน์มากกว่าท่านก็ได้ทราบซึ้ใจเราก็ได้ได้ทําในเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับค่ะตรงจุดนี้เนี่ยปัจจุบันคณะ ปัจจุบันชีวิตปัจจุบันอายุเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทเพราะว่าถ้าเราล่วงเลยขณะปัจจุบันไปแล้วเนี่ยนะผมว่าคุณค่ามันจะดูน้อยลงค่ะคุณค่ามันจะดูน้อยลงเัราถ้าใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ลองลาไป<ม>พิจารณาเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้บุญคุณอะไรที่เรายังทําได้ไม่เต็มที่เนี่ยผมว่า การจัดงานอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ใช้ร่างกายได้ใช้จิตใจได้ใช้ทรัพนะซึ่งเป็นสมบัติของพ่อของแม่เราที่ให้เรามาเนี่ยนะครับรบอาการ32เนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดอย่างแท้จริงไปทีนีนะคุณหมอคะถ้าคุณหมอเปิดแนวคิดแบบนี้นะคะสงสัยต่อไปชมรมต้องรับงานแบบนี้อีกหลายงานเลย <c oughs> ทีเดียวคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย แค่บ้านของเราที่มีความพร้อมพอที่จะรับญาติญาติเข้ามาอยู่รวมกันได้สักห้าคนสิบคนเนี่ยก็จัดได้แล้วนะค ะ, คะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีบริวารมากมายอะไ ร, รเลยนะคะครับเป็นการเปิดโอกาสเป็นการรวมมิตรนะค่ะเขาเรียกว่ารวมมิตรจริงๆรวมหมู่มิตรเพราะว่ามิตรของเราเราก็อยากพบอยากเจอที่ดีถ้ามันจะเกิด ชาติหน้าก็มาเจอกันแต่คนดีๆดีกว่านะคะแล้วเอากรรมาฐานเนี่ยเป็นก้ามัดกันสามร่วมกันคใช่ไหมค่ะแต่ใครเกลียดกันก็ไม่ต้องชวนกันมาแน่นอนค่ะนะเพ๋นี้ต้องมาเกิดเจอกันอีกครับอันหนึ่งที่ผมเห็นว่าที่เขาพูดถึงกันคือความกระตันยูค่ะแล้วความกระตันยูเนี่ยก็ยังเข้าแก้ว่าเราต้องทําอะไรทําอะไรทําอะไรให้กับผู้มีบุญคุณของเราเนี่ยค่ะ แต่แง่หนึ่งที่เรามักจะมองข้ามหรือว่าละเลยกันก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งชีวิตอันนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่พ่อที่แม่ให้เรามาใช่ไหมฮะแม้ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเราเองนะแต่ว่าสังขารร่างกายอันนี้เนี่ยที่ท่านให้เรามาเนี่ยก็นับว่าเป็นสมบัติของพ่อของแม่ก็ว่าได้นี่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่มีบุพการี อ, รอยู่แล้วเนี่ย การใช้ชีวิตยังไงจะเป็นการตอบแผนบนคุณท่านอย่างถูกตรงที่สุดเนี่ยก็คือต้องใช้กายใช้ใจของเราหรือ ว, ว่าใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดนะนะพี่เจนะคะ่ะบางทีเราอาจจะคิดไปว่ า, ต, าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าแค่เราใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะไม่เอาชีวิตของเราไม่เอากายวาจาใจของเราไปทำบาป ท, ทำชั่วอันนี้เป็นการตอบแทนบนคุณ ที่ทำได้ไดเล ย, ท ำ, ยลทำได้เลยด้วยนะคะกาทำได้เลยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรที่ไหนลแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราจะทราบซึ้งในบุญคุณของผู้ที่ให้กายให้ใจเรารมาเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยทําไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมการเจริญสติภาวนาเนี่ยทําให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตเราอย่างมากค่ะถ้าเราไม่รู้จักว่าของของนี้เป็นของมีค่านี่ยนะ เราก็จะไม่ขอบคุณหรือว่าไม่ซาบซึ้งกับบุญคุณของคนที่ให้ของมีค่านี้เรามาคใช่ไหมเราก็จะใช้มันแบบไปทิ้งๆควางๆไม่เห็นความสําคัญของมันเราลําลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็เพราะว่าเขาสอนว่าต้องเป็นคนกระตันยูนะแต่เราไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสํานึกที่แท้จริงว่าโอ้กายใจของเราเนี่ยมันเป็นของที่มีคุณมีค่ายอย่างแท้จริงเลยนั้นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะไม่เห็นความจริงอันนี้เมื่อเราไม่เห็นความจริงอันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นแค่ลูกที่ดี แต่ดีน้อยไม่เท่าที่ควรจะเป็นนะดีไม่เต็มที่ไม่เต็มขั้นเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยบางทีเรามองมันก็เป็นก้อนหินแต่ข้างในเนี่ยอาจจะมีเพชรมีพลอยเราก็พยายามขุดไปอย่างดีที่สุดเราก็ได้พลอยแต่เพชรเม็ดเครื่งนะที่อยู่ข้างในเนี่ยเราคว้างทิ้งไปเพราะเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วงัการใช้ชีวิตในแนวความเป็นผู้มีความกระตันอยู่กระตะเวทีต่อ ปุปกาีต่อแผ่นดินต่อข้าวต่อน้ําแต่ละคำที่เราดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยการใช้ชีวิตที่เป็นไปเพื่อสร้างกุศลและอาคุศลแล้วก็เป็นไปเพื่อทําจิตใจของเรียงให้บริสุทธิ์เนี่ยผะว่าเป็นชีวิตที่เป็นการตอบแทนหรือว่าเป็นผู้ที่มีความกระตันยูอย่างสูงสุดนะพี่เจนพูดมาถึงตรงนี้นะคะคุณหมอก็มีอะไรอยากจะแบ่งปันสักนิดหนึ่อเหรอคะครับก็คือในการที่เราจะจัดปฏิบัติธรรมแบบ ที่บ้านของเราเองแบบนี้เนี่ยนะคะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งหลายคนมองข้ามนะคะคุณหมอคือบางทีเนี่ยท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านสูงวัยแล้วใช่ไหมคะเมื่อจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณตาคุณยายเนี่ยนะคะการที่ท่านจะไปวัดเนี่ยหลายท่านจะมีข้อเกี่ยงว่าไปวัดไม่สะดวกเดินทางลําบากถ้าเราจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านเลยแบบนี้เนี่ยถ้าสถานที่ของเราพอจะเอื้ออํานวยให้จัดได้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นไฟบังคับนะคะ ที่ท่านจะหลบหลีบไม่ได้เลย <laughs> ในเมื่อเราจัดที่บ้านของเราเองเนี่ยอย่างที่คุณหมอว่าท่านจะหนีไปไหนได้ใช่ไหมคะคถึงแม้ว่าท่านจะไม่น้อมจิตคิดปฏิบัติธรรมแต่ก็ในเมื่อเราจัดแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนต้องเป็นพระประธานในบ้านครับเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องร่วมด้วยครับนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จัดสิ่งแวดล้อมให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยอนะคะครับ แล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดียิ่งอะ่ะสําหรับท่านที่สุขภาพอาจจะไม่ดีนักหรือบางท่านอาจจะติดความสะดวกสบายไปอยู่วัดเนี่ยมันลําบากห้องน้ำห้องท่าต้องเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่จัดที่บ้านเลยมีข้อดีหลายอย่างค่ะหนึ่งท่านผู้ใหญ่หนีไม่ได้สองความสะดวกสบายที่ท่านเคยชินก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเห็นว่าเป็นอะไรดีๆที่เราลืมคิดกันนะคะก็ต้องยกย่อง เพื่อนของเราจะคุ้มชมดาวนะคะที่ได้ทำให้เราเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราก็พอจะรู้อยู่แล้วอะแต่ไปมองข้ามนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็น่าคิดแล้วค่ะคุณหมอจัดที่บ้านานี้ถ้าไม่ได้กัญญยาณมิตรที่เป็นพระคุณเจ้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็ไม่ครบเครื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าทางคุ้มชมดาวเนี่ยก็ได้กัญยาณมิตรที่ดี ทั้งพวกเราแล้วก็ทั้งในส่วนของพระจารย์โกศินแล้วก็คณะนะคะคที่ได้เมตตาไปให้การอบรมแล้วที่สำคัญคือท่านไม่ได้ให้แค่การอบรมนะคะเท่าที่แอบสังเกตอยู่ตลอดเวลาสามวันเนี่ยท่านตั้งใจมากค่ะคท่านคิดตลอดเวลาว่าจะทำไงให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดโอเห็นแล้วรู้สึกปลับปลื้มอนุโมทนายิ่งนกะ็เป็นสิ่งที่ น่าสนใจเพียงแต่ว่าก็คงต้องใช้สถานการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าการจัดการปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยก็เป็นการทาในรูปแบบเหมือนเป็นการชิมลองนะเหมือนเป็นการเข้ามารับรู้รับทราบแต่ที่เหลือคือว่าสุดท้ายของทุกๆกงานของการปฏิบัติธรรมพระบูบรอาจารย์ท่านกจ็จะเน้นอยู่เสมอว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการเลิก นะการปฏิบัติธรรมไม่มีคําว่าเลิกไม่ได้จบแค่นั้นไม่ได้จบแค่นั้นค่ะนะเรายังคงต้องทําต่อไปเป็นการทิ้งเชื้อเท่านั้นนะคะครับที่เราเข้าใจว่าการปฏิบัติทําต้องทําเป็นคอร์สเป็นคอร์สใช่ว่าเป็นเวลาเวลาเป็นพักเป็นพักอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเรายังมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าชีวิตคือธรรมะธรรมะคือชีวิตนั้นถ้าเราต้องการธรรมะให้ปรากฏก็ต้องทํามันทั้งชีวิตนี่แหละค่ะทําไปในชีวิตประจําวันยืนเดินนั่งนอน ทำกิจกรรมอะไรตลอดต่อเนื่องเนี่ยอันนี้เราจริงจะเป็นผู้ที่มีแววแต่ถ้าทําเป็นพักเป็นพักเนี่ยยังแบ่งการทํางานออกมาจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะยัง่ไกลหน่อยจะเลื่อนช้านะคะอาจจะเลื่อนช้าหน่แต่ถ้าใครสามารถที่จะล่ากการปฏิบัติธรรมไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งกลายเป็นว่าการทํางานคือเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการทํางานทําหน้าที่เนี่ยค่ะมันก็จะสนุก แล้วก็ได้ประโยชน์จริง